มาบรรยายเรื่องสุขศึกษาวิชาแห่งความสุขโดยท่านวอวชิชระเมธีบรรยายนะองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ขอเชิญท่านสาธุชน โปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณับนี้เจ้ากอร์นท่านอาจารย์ดร์โอชมสายราชพฤหัส ท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลก็คือคุณยมปรีดาวันเพียรเก็ิ่นท่านผู้บริหารโอกาสบริหารส่วนตำบลผู้จัด บ, บริษัทยักษ์มน้องน้องลูกหลานแห่งโรงเรียนสตยาสายโม้อวันนี้เราตั้งเอาไว้ว่าสุขศึกษา วิชาว่าด้วยความสุขคือการที่คนเราจะมีความสุขเนมันมีหลายวิธีที่อยากจะมีความสุขนะฉะนั้นเราจะเริ่มจากตรงจุดไหนก็ได้ทั้งนั้นพระอาจารย์ก็จะขอเล่าผ่านนิทานพุทธประย่าทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทเท่าที่กาลเวลาจะอำนวยมาเริ่มกันที่เรื่องที่หนึ่ง กระเป๋าแห่งความสุขลูกหลานเล่าในฟังให้ดีนะกระเป๋าแห่งความสุขอยู่ตรงไหนเรื่องเี่อยู่ว่ามีอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจระดับหลายแสนล้านยูเอสดอลลาร์มีเงินมีทองมากมายมหาศาลแต่เมื่อมีเงินแล้วเขากลับรู้สึกว่า ในจิตใจยังคงพร่องคือยังไม่อิ่มยังไม่เต็มยังไม่พอเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่แล้วการอยากมีเงินเนี่ยมันจะได้รับการติมเต็มเสียทีมีแล้วก็อยากมีอีกมีแล้วก็อยากมีอีกที่สำคัญตัวเขายังไม่เสียชีวิตเลยลูกของเขาชอบมากระซิบให้เขาเขียนที่เลนกับสถที จะแบ่งก็แบ่งสัทีจะให้ลูกคนไหนเท่าไหร่ก็ว่าออกมาเขาก็อึ้งตืขึ้นมาแบบเอ้ช่วงการมีเงินมากมากเนี่ตกลงมันดีไม่ดีลูกอยู่กับเราขับรถให้เราดูแลเราตกลงกขารักเราจริงๆริงรวรักสมบัติของเราแล้ะจบพัรธยาสาวแสนสวยของเขาอีกดูแลเขาอย่างดี กินข้าวร่วมกันกับเขาไปดูหนังร่วมกันกับเขานวดแข้งนวดขาให้เขาพอเขารู้สึกสบายสบายรรยาสาวก็มักจะกระซิบที่ข้างหูว่าพี่คะขอคอนโดเพิ่มอีกหลังหนึ่งขอรถสปอร์ตเพิ่มอีกสิบคันจะเอาเปนั่งหรือจะเอาไปบรรทุกนักเกรียนสตยาไทย พบเผอทีน่งพันดายาสาวก็ขอลูกก็ขอทุกคนมาหาเขามีแต่คนมาขอขอขอขอข อ, ขอไปที่ไหนมีคนล้อมหน้าล้อมหลังแต่ไปหมดแอบไปหลบหาความสงบที่วัดกำลังนั่งสมาธิอย่างมีความสุขลืมตาขึ้นมาเจอหลวงพ่อเจ้าว่ายื้ยื่นสองข่าวให้เขา เขาถามอ่ะอะไรขอรับหลวงพ่อทรงพระป่ายมมันหมายความว่าอะไรครับหลวงพ่ออาตมาสร้างโบสถ์หินอ่อนนายมได้ยังไม่เสร็จใช้เงินตั้งร้อยล้านบาทเลยโยมช่วยบริจาคหน่อยสิโอโหโบเท่านั้นเองเ็าปักก้นลุกนี้เลยทุกคนทุกแห่งที่เขาไปเกี่ยวข้องมีคนมาห้อมล้อมเขาทุกคนอยากได้เงินของเขา เขารู้สึกไม่ปลอดภยัยกินอาหารก็กลัวว่าลูกหลานตลอดจะถือคนใช้จะแทรกยาพิษลงในอาหารไปที่ไหนไหนมีคนมาต้อนรับเขาก็รู้สึกว่าเอพวกนี้มาต้อนรับเราเนี่เป็นเน่อมาหรือว่าเป็นคนที่อยากของเงินเราต้องลงมีใครบ้างรักเราจริงถึงมีเงินมากมายล้นฟ้าแต่ อภิมหาสศฐีคนนี้ไม่มีความสุขเลยเขาเป็นโรคระแวงว่าจะไม่มีคนรักเขาจิบวันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจขายกิจการทั้งหมดจะได้ไม่ต้องมานั่งห่วงเข้าห่วงของนอนตาไม่หลับอีกเขาหายกิจการทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วเอาเงินกำไรทั้งหมดนั้นฝากธนาคารไว้วันนี้รูกขายกิจการการเขารู้สึกโคลงนะั่นเขามีความสุขพอสมควรแต่ก็ยังไม่สุขถึงที่สุดเพราะว่าเงินที่เข า, เาฝากธนาคารใหม่ไว้ก็ยังมีอยู่มากมายมหาศาลนักเกิดใจหนึ่งก็สุขที่ไม่ต้องมานั่งดูแลกิจการแต่ใจหนึ่งก็ยังทุกข์เพราะมรดกเขาเองเยังมีมหาศาลที่ยังไม่ได้แบ่งใคร แต่เอาเถอะอย่างน้อยจิตใจก็รู้สึกดีขึ้นที่ได้ปลดพันธนาการสักทีหนึง่งเมื่อห า, ากิจการแล้วเขาตัดสินใจเดินทางออกไปพักผ่อนยังต่างจังหวัดเขาเดินทางไปพักผ่อนยังรีสอร์ทชายฝั่งหนึ่งเมื่อเก็บข้าวเก็บของเช็คกินเข้าที่พักแล้วมหาเศรษีหยิบเฉพาะข้าของที่จําเป็นใส่เลเป้หลังหนึ่งใบ เช่นน้ำเปลา่าหรขวดแล้วก็อาหารกระเป๋าอีกสองสามอย่างเสื้อผ้าและเลยอหนึ่งหมื่นตั้งใจว่าจะเข้าไปในป่าอย่างเงียบๆูเสือและนอนอ่านหนังสือสบายๆเมื่อเก็บเข้าของเสียท้ายกระเป๋ า, าแล้วก็ เดินลักตัดตรงเข้าชายป่าไปเขาเดินเข้าป่าไปด้วยความสำราญบานใจที่ไม่ต้องเจอผู้คนคอยห้อมล้อมก็ของกันเขาเดินไปสักพักหนึ่งไปทะลุบึงใหญ่ไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งกำลังนั่ ง, งตกปลาเขาก็ถามว่าลุงลุงทำอะไรชาวบ้านก็บอกว่าผมก็มาตกปลาสิ แล้วคุณนี่มาทำอะไรอ๋อผมเนอะจะหาที่นอนเล่นแถวนี้แหละแล้วคุณไปทำอะไรเนี่ยก่อนจะมานอนเล่นแถวนี้โอ้ยผมทำธุรกิจสิคุยมาคุยไปคุยไปคุยมาเศรษฐีก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่มีความสุขกันทั้งที่มีเงินมหาศาลชาวบ้านทุก็นนักตกปลาก็รู้ออกเพราะดูหน้าก็รู้หน้าดำคล้ำอาการยังกับคนดวงตก ชาวบ้านซึ่งเป็นนักตกปาอยากจะช่วยเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่มีความสุขใช่ไหมใช่สิคุณอยากมีความสุขไหมทําไมจะไม่อยากละ่ะมาที่นี่ก็อยากมีความสุขนั่นแหละถึงได้ปล่อยวางโรคถึงทุกอย่างผมจะสอนคุณเรื่องวิชาว่าได้ความสุขเอาไหมคุณจะสอนได้ยังไงเอาเถะนะผมจะสอนเองคุณตางผมมา ชาวบ้านเดินนําเข้าป่าลึกไปนิดหน่อยมหาเศรษฐีเดินตามคุยไปคุย ม, มาคุยไปไุมาคุยไปคุย ม, ม, มาคุยมาคุยไปสักพักหนึงมหาเศรษฐีร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยกระหายน้ำก็กระหายพอมหาเศรษฐีเผลอพับเดียวเท่า น, นั้นชาวบ้านคนนั้นชกกระเป๋าแกหลุดจากมือวิ่งตึ้นเข้าป่าไปเลย จะทิ้ตกใจในกระเป๋ามีน้ำมีอาหารบ้างมีของจำเป็นของแกโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องพอกระเป๋ารดมือตกอกตกใจวิ่ง ต, ต, ตา ม, ตา ม, ตามชาวบา้านพอจเข้าป่าไปจะ ต, ต้องเอากระเป๋าขึ้นมาให้ได้วิ่งได้ล่ากันอยู่ครึ่งชัวงง่วโมงตามไม่ทันเพราะชาวป่าก็อยู่ในปา่าใช่ไหมเขาหลับตาเขาเห็นหมด ในได้สวดมหาเศรษเหนื่อยแทบล้มประดาตายตามไม่ทันสุดตัวลงนอนใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งเหนื่อยสุดใจหาดเน้นคิดถึงกระเป๋าก็คิดถึงกลัวจะหลงป่าก็กลัวน้ำก็หิวข้าวก็หิวร้อนก็ร้อนและนี่ยังไม่รู้ว่าจะออกจากป่าได้ยังไงทุก แทบล้มประดาตายล้มตัวลงนอนพึ่งลงไยหลับตาสักพักหนึ่งลืมตาขึ้นมาเห็นกระเป๋าของตัวเองแขวนตรงเตียงอยู่ตรงกิ่งไผ่ข้างหน้าดีใจเมื่อกระโดดถึงขึ้นนึ่งยิบกระเป๋ามากอดด้วยความร่าด้วยความใจสุนสุดใจขาดดิ้นดีใจจนน้ําตาไหลเปิดกระเป๋าหยิบเอาขวดน้ำ เปียนขวดเดี๋ยวดึซดเข้าไปเผือเลี่ยนขวดอย่างมีความสุขลุกเข้าไปในกระเป๋ายิบกซนวิคู่ใจส่งเข้าปากยวกลุ้มกุ้มีความสุขจนถิ่วปากออกมาคิดถึงสิขนาดนี้ก็กําลังในควาสุขกับกระเป๋าที่ได้คึ้นมานั่นเองจูจูชาวบ้านนักตกปลาก็โผมากอก็ไปจเอ๋ ทำอะไรอยู่เสรจตีเอาใจแกมาทำไมแกเอากระเป๋าใช่ไหมชาบ้านบอกก็ใช่ไงผมปลอดภัยแล้วผมเอามาคืนแล้วไม่ดีหรือทำไมยังไม่ดีก็ดีแล้วหนาผมทำไมก็แกเอาไปทำไมถ้าผมไม่เอาไปท่านเสรษฐีจะรู้หรือว่าการมีความสุขมันเป็นยังไง เอคิดเออจริงทำไมตอนที่ฉันมีเงินเป็นแสนล้านทำไมฉันไม่รู้สึกมีความสุขแบบนี้ทำไมนะฉันกินวายแก้วละแสนบาทฉันถึงไม่มีความสุขเหมือนกินน้ำเปล่าคราวนี้ฉันกินอาหารแต่ละมือ้อแพงระดับบนพัตคารฉันดอดทำไมไม่รู้สึกอร่อยเหมือนทานแตงกิคดครั้ง เศรษฐีเริ่มรู้สึกได้ถึงชีวิตที่มีรสชาติว่าช่างเป็นชีวิตที่แสนเรียบง่ายไม่ต้องนั่งรถสะปอร์ไม่ต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังไม่ต้องมีเงินเป็นแสนล้านเขาเข้าใจในานาทนั้นเองว่ากระเป๋าแห่งความสุขหมายความว่าอย่างไรรู้รๆตั้งหลายเข้าใจไหม แผ้จริงกระเป๋าแห่งความสุขอยู่ที่คนอื่นหรืออยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรานะลูกนะกระเป๋าแห่งความสุขอยู่ตรงไห น, นลกูกอยู่ที่ใจที่รู้จักพอของเราตราบใดใจของเราไม่พอตอนให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเป็นหาผลเราก็จะยังรู้สึกยากจนอยู่จากนั้นนอกจากใจที่รู้จักพอจะเป็นที่มาของความสุขแล้ว การที่เรามีร่างกายที่สุขภาพดีเป็นที่มาของความสุขได้ไหมถ้าลูกทั้งหลายตอนนี้กำลังมองเห็นเป็นปกติแต่สักพักหนึ่งจู่ๆก็เกิดมองไม่เห็นขึ้นมารู้ว่าจะทุกข์ไหมทุกข์มาพอทุกข์มากๆแล้วจู่ๆก็กลับมามองเห็นอีกลูกจะมีความสุขไหมสุขมาตาของเราเนี่ยมันให้ความสุขเราได้เลยลูกนะ แต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าเดี๋ยวมันจะเป็นที่มาของความทุกข์จมปากของเราเนี่ยเวลาเราอยากจะพูดเราก็พูดพูดมีความสุขมากแต่วันนึ้นมีคนไปยืมตะกกล้องของสุนัขมาสูดปากเราปักไม่ให้พูดเจ็ดวันสุขหรือทุกข์อุ๊บมันมากเลยพอครบเจ็ดวันเขาออกเราก็พูดเรามีความสุขไหมสุขมากเห็นไหม ความสุขมันก็อยู่ที่เนื้อนี่ตัวเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลมันให้ดีมันก็เป็นที่มาของความโศกจะขอเล่าเรื่องนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งกาลังทดลองทฤษฎีทางว <efendim. S 1> ิทยาศาสตร์อยู่ในห้องทดลองขณะกําลังทดลองนั้นจู่ๆเกิดความผิดพลาดระเบิดตูมขึ้นมาเพื่อนนาส่งโรงพยาบาลหมอ ใช้ผ้าสิดตาเป็นตาเขาเจ็ดวันเจ็ดคืนตลอดเวลานะั้นเขานอนร้องไห้เข้าใจไปแล้วว่าคงตาบอดเสียแล้วตาบอดตั้งแต่ยังหนุ่มนะลูกนะแฟนซึ่งพบกันมามาเยี่ยมแค่สามวันพอหมอกันติ้งว่าแฟนคุณมีแนวโน้มที่จะตาบอดนะเปลี่ยนโทรศัพท์เลยหนี ไม่อยากมีแผลตาบอดแกก็เริ่มทุ้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นพอครบเจ็ดวันหมอเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าคุณเอาผ้าตบตาออกสิพอเขาผ้าตบตาออกนาทีนั้นเขาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามปกติอีกครั้งหนึ่งเขามีความสุขจนน้ำตาไหลพรา่ราพรา่า พูดอะไรไม่ออกมีความสุขเหลือเกินที่ได้กลับมาเห็นอีกครักหนึงเขาเดินไปที่หน้าต่างและยืนมองยอดไม้เขียว ข, ขจีตรงหน้าต่างแล้วก็อุทานออกมาว่าช่างเป็นยอดไม้ที่สวยงามที่สุดในโลกนิสิตคนหนึ่งได้ยินก็เลยถามว่าอาจารย์ครับยอดไม้มันก็อยู่ตรงนี้ทุกวันทําไมอาจารย์จึงบอกว่าเป็นยอดไม้ที่สวยงามที่สุดในโลกอาจารย์นนั้นบอกว่า คุณจะรู้ว่ายอดไม้ต้นนี้มันสวยงามที่สุดในโลกก็ต่อเมื่อคุณเคยตาบอดและกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้ว่าการได้มองเห็นตามปกติมันมีความสุขขนาดไหนรู้ทั้งหลายเชื่อไหมแท้ที่จริงอวัยวะสหสสองประการของเราก็เป็นที่มาของความสุขเป็นแหล่งทานอันพุ่แห่งความสุข ถ้าเราดูแลอวัยวะ32ระการนี้ให้ ด, ด, ด, ดีความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอวัยวะเหล่านี้ผิดปกติไปเช่นหูเคยฟังแล้วได้ยินตามปกติถ้าไม่ได้ยินขึ้นมาก็ทุกตาเคยเห็นตามปกติถ้ามองไม่เห็นขึ้นมาก็ทุกปากเคยพูดตามปกติถ้าพูดไม่ได้ขึ้นมาก็ทุก เท้าเคยเดินได้ตามปกติถ้าเดินไม่ได้ขึ้นมาก็ปุ๊บตีนกระตาเคย อ, อยู่กันมาแสนปาสุดนัดแต่งสามัคคีก็ปุ๊บโลกแห่งอ่างนั้นกระเป๋าแห่งความสุขอยู่ตรงไหนโลกอยู่ตรงใจที่รู้จักขอบและอยู่ตรงร่างกายที่ปกติสุขของเราในเนื้อในตัวของเรานี่แหละก็มีเอตุปัจจัยแห่งความสุขอย่างครบถ้วน พรอยยาเืมถ้าเราอยากมีความสุขอย่ามอนแต่ไปมองออกไปนอกตัวไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินมากมายมหาศาลจึงจะค้นพบความสุขแท้จริงตานะ้ำมีความสุขอยู่ในใจของเราอยู่ในร่างกายที่กว้างสอกยาววาและหนาคึบของเราถ้าหาให้เป็นเราก็จะมีความสุขถ้าไม่เชื่อพระอาจารย์ลูกลองป่วยหนักดูสิมีใครจะลองม้าง อยากจะลองป่วยหนักสักเจวันเจ็นอยู่เจ็นไปต้องเติมเครื่องช่วยหายใจนะแล้วลูกจะรู้ว่าร่างกายปกตินั้นมันมีความสุขมันก่อให้เกิดความสุขแค่ไหนคนที่ป่วยหนักเขาจะรักสุขภาพของเขาเพราะเขาได้รู้แล้วว่าสุขภาพที่ปกตินั้นแหละคือที่มาของความสุขพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอารมคยัปปรมาลาพาแปล ว, ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรือการมีสุขภาพดีเป็นโชคดีของชีวิตนี่คือวิชาแห่งความสุขวิชาที่หนึ่งไปดูวิชาแห่งความสุขเรื่องที่สองถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องมองโลก ในแง่ดีนะลูกนะท่านอาจารย์ของเราบอกโลกไหมว่าเราต้องบอกโลกในแง่ดีลูกเราต้องคิดดีพูดดีทำดีใช่ไหมเอา้าอาจารย์ขอเล่าเรื่องที่สองให้พวกเราฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครนี่เองมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทาออกจากบ้านกำลังจะขึ้นรถไปทำ ง, งานแถวสยามพารากอนประเดี ขณะที่เธอกำลังเดินไปใกล้จะถึงป้ายรถเมล์เธอเดินมาหาร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแห่งหนึ่งคล้ายๆเซเว่นอีเลยเว่นเธอแวะตรงร้านนั้นและซื้อกุกกี้มาสุกหนึ่งเอานีบรักแร้ไปแล้วเป็นนั่งจุ๊มปุ๊บลงที่ป้ายรถเมล์ขณะที่เธอนั่งนั้นเธอก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจใ ส, ส่สูทผูกเนคไทกาลัง น, นั่งรอรถเมล์อยู่เหมือนกัน พอนั่งไปสักพักหนึง่งเธอก็หยิบแล็ปท็อปของเธอขึ้นมาทํางานผู้ชายคนนั้นก็หยิบไอแพดขึ้นมาทํางานเหมือนกันต่างคนต่างนั่งทํางานของใครของมันไปนั่งจิตกันบ้างแล้วสักพักหนึง่งเธอก็เห็เห็นผู้ชายที่นั่งจีบเธอเอามือล้วงมาข้างๆเธอถุงช่องว่างระหว่างขางขงกับเธอผู้ชายคนนั้นล้วงลงไปในถุงกุกกิมหยิบจิตบ้า เธอมองอมกู๊กี้ฉันมันยิ้มให้ปาผู้ชายคนนั้นก็ไม่เข้าใจทําไมทําไมผู้หญิงคนนี้มองเราผู้หญิงคนนี้ก็กล้าด้วยสายตามองกุกกี้พอสักพักต่อมาเธอก็พิมพ์งานไปผู้ชายคนนั้นก็พิมพไปผ่านไปอีกเกิดใจผู้ชายคนนี้หลงกุ๊กี้ มักรหันมามองคุ๊กขามด้วยสายตาเขาก็ไม่ย่นผู้ชายคนนั้คุกกี้ใส่ปากเจ้าก็มมกีความสุขเนอแล้วก็ฟังเพลงทานหัวฟังไปด้วยยังมีความสุขเธอก็ทํางานไปเขาก็ทํางานไปแล้วเธอก็เอามือซ้ายล้วงไปที่ถุงคุกกี้มักชนใส่มือผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นคนนั้นก็ยังไม่เลิกนะเขาก็ยังมองเธอเธอก็มองเขา เธอก็คิดว่าทำไมแกกินคุกกี้ฉันสำหรัญญาชายคนนั้นก็คงนึกในแต่ว่าทำไมแกหยิบคุกกี้ในถุงเดียวกับฉันต่างคนต่างมองกันแล้วกันแต่ผู้หญิงคนนี้หนักกว่าเธอโกรธขึ้นมาต่างหยิบต่างหยิบต่งหยิบ เ, เจ้าหมอนี่ทำไมมันไม่ไปซื้อมากินทำไมไม่รู้จักเราแต่ทำไมหน้าไม่อายมาหยิบคุกกี้ถุง เ, เดียวกับเรากินคนเดี่ยวนี้มัน มันไม่มีความละอายกันเลวหรือหรือว่าคนที่มีความละอายมีแต่ณเรือนของโรงเรียนสตยาสัยตรนั้นเธอคิดในใจต่อมาผู้ชายคนนั้นยังคงหยิบคุกกี้ข้างเธอมากินเธอก็ยังคงหยิบมากินด้วยความตะคิดตะคงใจกันนะครบและในที่สุดก็เหลือคุกกี้ก้อนสุดท้ายวางปุ๊บอยู่ในถุง ผู okay. <cript ors voice iven> ้หญิงคนนี hmm? to her. To her. To uh ้ก็คิดในใจว่าฉันจะลองดูสิว่าผู้ชายคนนี้จะมีความละอายแฝงใจไหมเหลือชิ้นสุดท้ายเขาจะยังหยิบกินอยู่ไหมเธอมองผู้ชายคนนั้นก็หัมามองและไหนที่สุดเขาก็ล้วงเข้าไปหยิบคุกกี้ชิ้นสุดท้ายใส่ปากกับเขียวตุยตุยตุยผู้หญิงคนนี้ถอนหายใจอ หมดแล้วคนดีของประเทศไทยไม่เหลือแล้วหมดสรทาในคนดีเพราะผู้ชายคนนี้หน้าตาดีแต่ตัวดีแต่ไม่มีความน่าอายกันใจไม่ยอมซื้อคุกกี้แต่อาศักินคุกกี้ร่วมกันกันกบเธอจนชิ้นสุดท้ายเธอเก็บและทับพทั บ, ทบลุกเดินข้าขึ้นรถเมล์ไปหันมามองผู้ชายคนนั้นไม่หามตาเช่น แต่งตัวดีสักเปล่าหน้าไม่อายพอขึ้นไปนั่งรถเมล์ปั๊บเด่กออดก็ขัรถเมมาจ่ายตังค์ไปคับพี่เธอก็หยิบ ก, กระเป๋าของเธอขึ้นหนีไปใต้รักแรกรูดซิปออกจะหยิบสตางค์มาจ่ายสิ่งแรกที่เธอเห็นเธอถุ่มคุกกี้มาอยู่ในมันครบ <laughs> ตกลงที่เธอกินไปนคุกกี้ของใคร <laughs> ผู้ชายคนนั้นเอง ส่วนของเธอแกะหรือย er ังยังไม่ได้แกะเพราะนั่นดีที่เธอซื้อพุกเธอก็เอาใส่กระเป๋าเลยเล้ก็รูดซิปเธอก็ลืมไปเลยตกลงที่เธอด่าผู้ชายคนนั้นมากินคุกกี้ถุงเดียวกับของเธอใช่จริงเป็นคุกกี้ของใครก็เป็นของเขาเองเขากินของเขาเองใครหน้าไม่อายผู้หญิงคนตั้เองหักมุมไมหนึ่งนี่ คุณโยมทั้งหลายเราคิดโดยสิ้นทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่มีมานสุขเพราะเพราะตัดสินคนอื่นในทางลบเสมอไปใช่ไหมมองคนอื่นว่ากาำลังทําไม่ดีมองคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดีอะไรอะไรก็ไม่ดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นทํามันไม่ดีหมดมันแย่หมดมันเลวหมดแล้วก็คิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียว หากเรามองคนอื่นแต่ในแง่ลบเราจะหาคนพบแทบไม่ได้หากเรามองคนอื่นแต่ในแง่ดีเราจะมากมายคนดีให้เรือกพบลูกหลานทั้งหลายถ้าอยากมีความสุขให้คิดในเชิงบวกพูดในเชิงบวกทำในเชิงบวกอย่าเดี่ยวไปตัดสินใจใครอะไรง่ายๆนะลูกนะ เอาละมาดูวิชากามสุขเรื่องที่สามต่อไปเรื่องนี้พระอาจารย์ขอเรียกว่าเลขสามตัวจะจาย์กั้างหลับจากได้เลขหลเลไหมวันนี้เดี๋ยวจะให้นะตั้งใจให้ดีนะตาดีก็ได้ตาไราก็เสียเลขสามตัวเป็นยังไงมีนักธุรกิจอยู่คนนึ้ง เป็นนักธุรกิจใหญ่มีเงินมากมายมหาศาลเมื่อเขาประสบความสำเร็จแล้วจูจูเขาก็กลัวขึ้นมาว่าความสำเร็จจะไม่อยู่กับเขานานๆจึงตัดสินใจไปที่วัดเพื่อกราบหลวงพอ่อขอของดีพอไปถึงปั๊บเขาก็ขอของดีหลวงพอ่อหลวงพอ่อะครับกระผมอยากได้ของดีพิเศษครับหลวงพอ่อ เพื่อที่ว่าธุรกิจของผมจะได้อยู่ยั้งยืนยงตลอดไปหลวงพ่อก็บอกว่ายงของวิเศษของอาตมาน่ะไม่มีหรอกถ้าจะมีอาตมามีคาถาวิเศษอยู่กงบทหนึ่งจะให้จะเอาไหมนั่นธุรกิจรู้สึกว่าไม่อยากได้ หลวงพ่อครับผมไม่อยากได้คาถาครับผมอยากได้ของดีที่เอาใส่กระเป๋าเสื้อแล้วชีวิตผมดีขึ้นเลยหรือถ้ามีเป็นยาแคปซูลยิ่งดีครับหลวงพ่อเอาใส่ฝากปุ๊บแล้วผมก็ร่ำรวยและอายุยืนตลอดชามีไหมครับ ไม่ต้องคิดมากเลยหลวงพ่อบอกว่าไม่มีหรอ ก, กของดีอย่างนั้นพวกตกตูนพวกของขลังพวกพระสมเร็จหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อมีแต่คําสอนของพระสัมมาสัพุทธเจ้าถ้าจะเอาก็จะให้ถ้าไม่เอาก็ไม่ให้แนั้นธุรกิจคนนี้นะเตรียมถังสังฆทานมาตั้งห้าถังเงินอีกหนึ่งหมื่นนะใส่ซองอย่างดีตั้งใจไว้ว่าถ้าหลวงพ่อให้ของดีวันนี้เขาจะถวายสังฆทานอันห้าถัง ถวายประจักษ์หนึ่งหืนบาทแต่พอคุยมาคุยไปคุยไปคุยมาหลวงพ่อบอกว่าไม่มีของดีแต่คาถาดีๆจะให้เขาก็เลยเสียดายถามสังฆาลขึ้นมาหลวงพ่อก็บอกว่ายอมของดีอาตมาไม่มีหรอกแต่เรามีคาถาดีๆอยู่บทหนึ่งถ้าโยมอยากจะอยู่ยัง้งยืนยงรำ่ำรวยไปตลอดชาติไม่กลับมาล้มเหลวอีกอาตมาขอเอาคาถาบทนี้ให้เอายมประนมอมเลยนะ ลูกหลับปนอนมือสิอยากได้ไหมลูกหลับตาลงอยู่ในความสงบสำรวมจิตสำรวมใจหลวงพ่อจะให้คาถาดีที่สุดของหลวงพ่อนะลูกนะถ้าลูกไม่อยากหลมเหลวลูกจุกจามไว วันไหนก็ตามที่ลูกจะต้องตัด ส, สินใจครั้งสำคัญในชีวิตให้ลูกเดินไปข้างหน้าสามก้าวและถอยมาข้างหลังสามก้าวหน้าสามหลัง3ามทำอย่างนี้นะลูกนะ หน้าสามครั้งหลังก็สามครั้ ง, ง, งถ้าลูกทำอย่างนี้ก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญในใชีวิตทุกครั้งลูกจะไม่ล้มเหลวเลยพอหลพ่อให้ของดีเสร็จปับ๊บมหาเศรษีก็สาธุแล้วเขาก็หันมามองสังฆทานของตัวเองโอ้โหวันนี้จัดเต็มมาแต่ได้ของดีไม่คุม้ม เขาเลยหยิบถวายหลวงพ่อเพียงหนึ่งถังแล้วปัจจัยในตอนเขาเตรียมมาตั้งหนึ่งหมื่นบาทเขาก็เสียดายของดีหลวงพ่อมันไม่คุ้มมันดึงออกห้าพันถวายเพียงห้าพันคือครึ่งเดียวแล้วก็ยื่นประเคนหลวงพ่อหลวงพ่อให้พอเสร็จเขาก็กลับบนในใจ หลวงพ่ออะไรมีสมราคามีคนบอกว่ามีของหลังเราเนะี่ยมาขอแทนได้จะได้ของหลังกับได้คาถาอะไรก็ไม่รู้หน้าสามหลังสา ม, มันจะดีตรงไหนบนเจดเหี้ยวทางสังหารเหี้ยวทางสังรารสี่ถังขึ้นรถบึงกลับไปบ้างอาทิตย์ต่อมานะักธุรกิจคนนั้นตัดสินใจบินไปเจราจาธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาเขาไปเจ็ดวันนั้นแล้นะ ก่อนจะไปที่อเมริกาขอต้องห่วงพันรยาสาวเหลือเกินไปกอดพันรยาที่รักคิดถึงพี่ไหมที่จะไปอเมริกาแล้วนะนะพันรยาสาวเพิ่งแต่งงานกันก็บอกพี่ไปเธอพี่ไม่ต้องห่วงน้องดูแลตัวเองได้แล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะว่าอยู่ทางนี้น้องจะมีกิ๊กโอ้โหยิ่งบอกว่าไม่ห่วงนี่น่าห่วงไหม แม่ห่วงมากเลยนะแต่เศรษฐีก็ตัดสินใจไปก่อนจะไปก็กอดล่าภพระรยาที่สนามเป็นสุวรรณภูมิเออรอเออเตออยู่ยี่สิบนาทีหอมนักนาผากจะรดตายอ้าวห่วงแฟนหอมลักหนาตายอ้าวจะรุดน้าคิดถึงไอ้แล้วอยู่จูแล้วมีไหมถามกันอยู่นั่นแหละ แล้วก็เดินไปขึ้นขค้นบินเขาเดินทางไปอเมริกาก่อนหน้าอายุสันติจะเข้านิดหน่อยแล้วก็ไปทำธุรกิจสามวันเขาเจรจาธุรกิจสำเร็จตัดสินใจเป็นกลับบ้านทันทีจนกว่เพราะอะไรคิดถึงภรรยากลัวว่าภรรยาจะแอบเมแอิแต่ก่อนจะมาเอสเราต้องไม่บอกเธอเพราะ เธอลงนะเธอก็ไม่ตื่นเต้นสิจริงไหมอยากจะสบายพันธุยาจึงแวะไปซื้อเครื่อ ง, องเพชรหมดเงินไปตั้งหลายแสนบาทตั้งแต่ว่าเราต้องแบบบงบงบอบกลับเงียบๆพอกลับไปปุ๊ขขขบขณะที่เธอกกำลังจดใจเราก็ให้เครื่องเพชรเธอเธอจะได้รู้ว่าเรารักเธอแค่ไหนคิดเสร็จจับขั้นบินบินกลับเมืองไทยพอมาถึงเมืองไทยเป็นเวลาเที่ง เขากับรถจากสนามป็นไปยังบ้านของเขาเงียบเจอะรถที่ปากซ อ, อยค่อยๆเดินก็บ้างในความเงนีย่ยย่องขึ้นไปย่องขึ้นไปย่องขึ้นไปพักประตูชั้นล่างช้ า, ชาประตูมีดชิดตายแล้วทำไมไม่ล็อกย่องขึ้นชั้นสองช้าๆักประตูเข้าห้องพันธยาประตูเปิด ประตไม่ร็อกตายแล้วไม่เขวามว่าไงเยอะลงเข้าไปเขาแกล้จะนั่งเตียงพันระยะคุกเข่าลงเดินช้าๆเขาตั้งใจว่าเขาจะไปโผล่ขึ้นข้างเตียงแล้วก็ชัเอ๋ค่อยๆคลานเข้าไปช้าๆช้าๆช้าๆแล้วก็ไปโผล่ขึ้นข้างเตียงก่อนที่จะชักเอ๋ เขาตกใจเพราะมีหัวของคนสงคนโผลออกมาจากผ้าห่วงในความมืดเวลาประมาณเตีงนึงนั้นเขามองไม่เห็นอะไรและเขาก็ไม่กล้าเปิดไปเพราะอยากให้ภันยาตกใจเขาเห็นเงาในความมืดเป็นหัวของคนสงคนโผลออกมาจากผ้าห่วงเนี่ยร่วมคนแรกเป็นภรรยาเขาเพราเขาจำได้แต่คนที่สองมันเห็นไม่ชัดเขาเหมนหันหลังให้ พยายามกันที่ตาดูเไม่ชัดแต่เขาไม่จํำเป็นจะต้องคิดยาวแล้วเพราะอะไรในห้องนอนเขาใครจะกล้ามานอนโลกนอกจากพันรยะครับทายชูหรือกิ๊กนั่นเองแน่นอนเขาเจอกิ๊กกระพายเขาให้แล้วลูกรู้จักกิ๊กกัะพายไหมปุทุกกระพายคืออะไร <c oughs> <c oughs> นานร้ำควง ววาก็ภัยคือหายุพาคีภายคือไาไม้และกิ๊ก็ภัยคือภัยจากการมีกิ๊เราเชือเข้าแล้วเข า, เาโกรธโอเคคุยค่อยถอยหลังออกมาลงไปห้องชั้นน่างเปิ ด, ดอึดจับหยิบปืนจุดสามารถจะบรรจุกระสุนเต็มรงเริด ย่องขึ้นมาไหมเหนื่อแตกพักพักพักแขนสุดแขนมาเรานะตั้งใจไปเจ็ดวันไม่ยอมอยู่เจ็ดวันเพราะคิดถึงเธอซื้อเครื่องเพชรมาให้ตั้งใจจะเอามาฝากแต่ดูเถอดทำกับเราสิทันทีที่เราไปเนี่เธอคงเอาชายชูยมานอนเรารักกันถึงบนเตียงแขนสุดแขนย่องเข้าไปย่องเข้าไปเอาปืนจ่อในความมืด เห็นชัดบ้างเป็นชัดบางแต่ว่ามันไม่ใช่คนอื่นสับไก่เราจะยิง ก, ก็้เสียงหลวงพ่อรอยมาทำไมนะลูกนะหลวงพ่อไม่มีของดีจะใหร้รอแต่ว่าหลวงพ่อมีคาถาดีๆจะให้นะเวลาลูกจะตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตให้ไปข้างหน้าสามเก้าถอยข้างหลังสามเก้าถามยังไะ สามครั้งเราทำดูแล้วรกจะไม่หลงเหลวเอ๊ะคำหลวงพ่อลอยมาข้าบหมูก่อนจะยิงเขาจิตตันใจมือก็ถือปืนอย่างนี้เลยถอยมาข้างหลังสามเก้าชา้ชาชา้ชาช้าช้าพอพบสามเก้าปุ๊บเอ๊ะหลวงพ่อบอกให้ไปข้างหน้าสามเก้ชาช้าๆ้าจนหน้าแข่งไปชวนขอบเตียนช่างโง่มองดูเดียว มันไม่ชัดผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ชัดก็ถอยถอยข้างหลังช้าช้าสามเก้ามือยังถึงมืออยู่นะแล้วไปข้างหน้าช้าช้าสามเก้าทำอยู่อย่างนี้ลูกรอบที่สองสายตาเขาก็ปรับกับความมืดในห้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วพอครั้งที่สามเขาก็ถอยข้างหลังช้าช้า นาทีนี้ความใจลดเขาลดลงลดลงลดลงลดลงตาของเขาปรับเข้ากับความมืดเด่ขึ้นเด่ขึ้นเด่ขึ้นในขณะที่กำลังเขาในขณะที่เขากาลังก้าวไปขา้างหน้ารอบสุดท้ายช้าช้าสามก้าวพอท้าสุดท้ายชนกับเดียเขาชะงักไปมองที่เตียงทําไมคุ ณ, ค ณ, คณมันคล้ายค้ายพันธุยาระ แต่เรามองจุดท้ายถอยไม่น่าจะชัดงกไปมองฝั่งน้นย่องไปย่างไปไ ป, ไปไปมองจากฝัง่งน้อนเห็นหน้าคนที่เขาเข้าใจว่าเป็นกิ๊กชัดเจนเป็นกลายโลกเป็นพันรยาเป็นแม่ของพันธยาของเขาเองเขาตกใจมากลบปืนลงหัวโหตายละ นี่นี่ฉันเกือบยิงภรรยากับแม่ของภรรยาแล้วใช่ไหมเนี่ยตกใจวิ่งตื่นออกจากห้องลงไปชนแรกเอาเบอเก็บลุกอาบน้ำกรมกรมก็อานะบน้าเสร็จวิ่งตื่นออกจากบ้านขับรถไปที่วัดตีๆีหลวงพ่อยังไม่ตื่นกดแตรหลวงพ่อลุกมารับมาทำไมหลวงพ่อครับ ผมขอเอาหลวงพ่อไปตัวพิ่งนะครับผมเกือบฆ่าคนแล้วครับฆ่าใครฆ่าเมียผมแต่ทำไมไม่ฆ่าก็หลวกพ่อเนี่นะครับตัวดีไปช่วยผมไว้แอตกลงมันชกแล้วมันดน่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขารอดจากการเป็นมือปืนมาได้ยังไงแล้วเขาก็กลับลงมาจากกุฏิของพ่ออุ้มเอาถังสังพดทาน สี่ถังขึ้นไปวางเรียงเป็นตับแล้วก็เงินที่ติดมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นเงินยูเอสดอลลาร์เท่นั้นจัดหนักเลยใส่เป็นสองให้หลวงพ่ออีกมือนเหรียญหลวงพ่ออาลุกเลยบอกแล้วของฉันดีสิ น, น้องถัง ส, า, สารทานทลายหลวงพอ่อทุกสีถังแบบไม่เสียดายเงินอีกหลายหมื่นเหรียญหพ่อครับถ้าไม่ได้คาถาหลวง พ, พ่อป่านนี้ลูกไปจุ่ในคุกแล้วครับถ้าหลวงพ่อไม่เตือนให้หน้าสามหลังสามผมคงยิงภรรยาของผมและคงยิงแม่ภรรยามาเกิดเก้าของผมไปนีบร้อยแล้วครับ ฉะนั้นขอยืนยันว่าคาถาหลวงพอ่อดีเหลือเกินครับหลวงพอ่อหน้าสามหลังสามผมจะทำไปตลอดไปและเช้าวันนั้นเขาก็กินข้าวที่วัดเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อพอสายๆประมาณสามโมงเช้าเขาหวีผม น, นะแวะไปที่7ซเว่นอเลซื้อข้าวซื้อของเล็กหน่อยทำท่าม่าซื้อมาจากต่างประเทศ แล้วก็10โมงขับรถไปจอดตรงหน้าบ้านมีแตรดังภรรยาเดินลงจากบ้านชั้นสองมารับเขาเอ้าพี่ทำไมรีบมาแล้วเขาบอกโอ้โ ห, โหใครจะทนคิดถึงเมียพี่สวยขนาดนี้ทำถ้าเป็นดีใจสตรอบอรี่ดราม่าสุดๆกอดเมียสุดที่รักโอ้โหันนี้ คิดถึงเหนือเกินกอดภรรยาอย่างเีความสุขขณะที่กําลังกอดภรรยาอย่างมีความสุ ข, ข, พ, รราาาสขพานจะเกลืนกินนั่นเองเขามองผ่านไล่ภรรยาสาวขึ้นไปบนบ้านแม่ของภรรยาสาวกําลังเดินลงจากบันไดในชุดนอนลงมาเขา ท, ทําทีเป็นแม่พิ่งพบ ก, กับคุณแม่เอา้าคุณแม่ก็มาหรือไงเมืม่อไร เป็นไนลูกนะสตอรีร ส, สุดๆเนี่ทำทีเป็นผ่าจากพัรธุยาเมื่อดคอนแม่โอ้โหคุณแม่ลูกเคยคิดถึงแม่เหลอเกินแม่กับลูกหลังลูกเคยแม่เขาคิดถึงลูกเป็นยังไงเมื่อลูกไปอเมริกาลกลับมาโอ้แม่ทุกอย่างดีที่สุดเลยราตรีทุกประการในใจก็คิดแต่ว่าแหมเมื่อคืนนะัเกือบยิงเปื่อยไปแล้ว คุณแม่หารู้องไม่ว่าแต่ใอ้สิ่งคนที่กำลังกอดกัแเองอยู่คือคนที่กำลังเอาปืนจ้องตัวเองทั้งคืนเห็น ไ, ไหมไรไม่รู้เลยเนี่ยตีบทแตก็ดดู้นละครหลังข่าวเยอะเกินไปคาถาหน้าสามหลังสาม ทำให้ในธุรกิจคนนี้ประสบความสำเร็จทางทา ง, ทางโลกและทางธรรมได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายรู้ลู้หลายรู้ไหมหน้าสามหลังสามคอเป็นปิศนาทำว่าอย่างไรเอาละเราจะมาตีเลขกันหน้าสามหลังสามคืออะไร ในทางคำคำว่ า, าหน้าสามหลังสามก็คือท่านสอนว่าจะทําอะไรก็ตามจงคิดหน้าคิดหลังถ้าคิดหน้าคิดหลังแล้วโอกาสที่เราจะผิดพลาดก็น้อยลงใช่ไหมคิดหน้าก็คือคิดแปลว่าเรื่องนี้ควรทํำไหมคิดหลังก็คือคิดว่าถ้าทําไปแล้วต้องมานั่งเสียใจไหม ถ้าคิดก่อนทำทุกครั้งเราจะผิดพลาดในโลกก็ไม่ผิดพลาดเลยจำง่ายๆเิ้นหน้าคิดหลังก็คือคำว่ายับยัง้งชั่งใจลูกว่าพรอกันนะคะหนึ่งสองสามยับยัง้งชั่งใจสามรอบนะคะหนึ่งสองสามยับยัง้งชั่งใจยับยัง้งชั่งใจ ยับยังชัางใจถ้าเรายับ ย, ยังชั่งใจไม่ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ทานี่คือสุขสุตาวิ ช, ชาว่าด้วยความสุขวันนี้พระอาจารย์มอบเคล็ดลับแห่งความสุขให้พวกเราถึงสามเรื่องยย่ามีครั้งหนึ่งคือเรื่องที่หนึ่งกระเป๋าแห่งความสุขอย่าทำกระเป๋าแห่งความสุขหายไปนานา เพราะแหวนแห่งความสุขนั้นอยู่ในกระเป๋าแห่งความสุขครบถ้ว น, นแล้วกระเป๋าใบานั้นอยู่ที่เราเราต้องดูแลกระเป๋าแห่งความสุขนี้ให้ดีอย่าให้มาเห็นคุณค่าของกระเป๋าแห่งความสุขนั้นต่อเมื่อกระเป๋านั้นหายไปแล้วและเรื่องที่สองคุกกี้แห่งความสุข อย่าตัดสินคนอื่นในแง่ลบจากการเห็นเพียงบางสิ่งบางอย่างของเขาแล้วสรุปเอาว่านั่นคือทุับทสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาคําสำคัญไม่อาจฟังด้วยหูฉะนั้นอย่าโวนตัดสินคุณค่าของใครในทางลบถ้าเรามองคนแต่ในแง่ลบเราแทบจะไม่เหลือคนให้พบในโลกนี้ ถ้าเรามองแต่ในแง่ดีเราจะมากมายคนดีให้เลือกพบและลงที่นนเมื่อเราจะลงมือทำอะไรก็ตามหากยับยังชั่งใจแล้วจึงไม่ทำหรือยับยังชั่งใจอย่างรอบคอบแล้วจึงลงมือทำผลของการกระทำจะนำมาซึ่งความสุขเสมอไปอานจะมา เชืเ่อแล้วเกินว่าสุขาสุญษาวิชาแห่งความสุขที่มอบให้กับพวกเราทั้งหลายไปในวันนี้คงจะมีประโยชน์ส่วนีผลนํำมาให้ความสุขแก่ชีวิตของเราทัางแต่และคน้างตามสมควรในท้ายที่สุดนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลลำนารายและาาคณะบริหารคณาจารย์แหง่งโรงเรียนสัมปทานสย พ่อแม่ผู้ปกครองพุทธบริตรัจักยมน้องหนูลูกหลานทั้งหลายคงจะนำเอาพุทธปรัชญาที่กล่าวมาทั้งหมด น, นี้ไปปรับไปประยุกใช้ให้เกิดความสดในชีวิตประจำวันของเราไม่มากก็ น, น้อยโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอ ปัญรยายเรื่องสุขศึกษาวิชาแห่งความสุขโดยท่านวอวชิระเมธีก็จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านกรุณายืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาลงยิ้มน้ยนอยๆที่ริมฝีปากผ่อนคลายกายใจให้สบาย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 หายใจออกก็รู้ตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายๆตามสมควรแก่เวลานะคะ